เทียบตัวเนน้อยหายไปเยอะก็พอดูหนังสือสอบวันนี้เจ็ดก็อสอบแล้วสี่วันเนน้อยก็เลยสบายเลยนะส่วนผราน้อยก็ไม่รู้คำแก้ตัวอะไงพระน้อยผระน้อยพรอย่าง ไม่รู้มีข้ออ้างอะไรถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฟังคนอื่นพูดเหมือนกันนะพูดคนเดียวหมดปีหมดชาฉายสายใบยคำแต่โยมเราจะจอบอกว่าเบื่อแล้วจริง อ, อยากจะฟังยายโยม เ, เิดเหมือนกันนะ ฟังหลวงพ่อพูดมานานนะ่ะไม่แน่นะญาติโยอาจจะเทเดียวหลวงพ่อก็ได้นะเทลิมตะตาไหลก็ได้ปนะี น, นี้ก็ยังก็เดือนเดสองแล้วด้เป็นดังหนึ่งก็เรียกว่าเกิดต่อเรียกเพิ่ม เดือนหน้าแล้วก็ตัวเลข ก, ก็จะเพิ่มอีกแล้วเงินเกิดเงินตายเมื่อเช้าเราก็าพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าการเกิดการตายของยกตัวอย่างคนสำคัญคนคลายจะตายไปหมดไปพันกว่าปีมาแล้วคนยังพูดถึง อย่างพพันปีหลวงของเราเนี่ยกาศสามอยู่บนโลกปุณิก9สามปีก็ต้งจากกันไปมนเบาก็เหมือนกันสองคำที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะ โดยสติปัญญาให้ได้จริงเนี่ยเรามีที่ต้องคิดียังมันต้องเยอะที่พระเจ้าบอกสอนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันไม่ไมากมายจนที่เราเข้าใจกันแปด0มนสี่พันรรมขันอันนั่นกขันเป็นกองเป็นเรื่องเรายองง่ายไปชีวิตกับจิตใจแค่นี้ แค่แต่เราแยกไม่ออกว่าชีวิตก็จิตใจมันอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตอย่างไงก็อยู่ในสภาพจิตใจที่มันลำบากเปิดรู้สังขารสถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานก็คือคนก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันบบกสมถะคือเรียบง่ายประยัด ปให้นิยามในาการจังการควรมาประหยะัดก็เรียกสมถะว่าอย่างนั้นชีวิตสมถะเรียบง่ายสรุปทั้งชีวิตและจิตใจโดยควหมายหรือรูปกรํานามาทําเราจะมีชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรอาบลงทุนกับอะไรนําตังของ ลงทุนเสร็จแล้วกำไรหลือขาดทนุนนั่นคือเชินชีวิตเชินชีวิตทั่วไปของคนทุกคนต้องการความรักเปเรื่องธรรมดาความผูกตุชนทั่วไปแต่ว่าเราตั้งค่าความรักอันนี้นไม่ใช่ตัวเอง เราไปตั้งค่าขอารักที่คนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคําว่ารักคือต้องการจากคนอื่นมันได้เป็นไดมาคําว่าทุกข์พอต้องการมันไม่ได้อย่างที่ต้องการหรือได้มาแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการหรือไม่มีสิ่งต้องการทั่นเองนั่นคือการรักคนอื่น คุณพายก็บอกว่ารอให้ความรักคนอื่นหมดแล้วคังดูดีตายอยู่อย่างเสลสลเหมือนว่าเลนทายใชหมติกันสละเนือ้อเนือ้อตัวเองถูกไมมติดคุกติดตารางเกลือสักเกลีอเอาเนือ้อเอาเลือดเป็นมก ลำพึงลำพันธน า, าความรักยกย่องเป็นเส้นก็คือ น, น, นักบุญแต่ในมองในทางพุทธศาสนาเรามองสองอย่างคือรักตนเองหรือรักคนอื่นนั่นไปเรื่องอกัรรักคนอื่นถ้ารักตัเองรักอย่างประการความรักที่ถูกต้องจริงๆควรเริ่มต้นจากรักตัวเอง อะไรที่ผ่านมาเรารักตัวเองไหมรักตัวเองรักยังไงทําอย่างไรชื่อว่ารักตัวเองอันนี้มองแบบโลกนะแต่ถ้ามองแบบธรรมมันคือต้องถามตัวเองคือใครถามว่าตัวเองคือตัวตนของเรา ยา ม, มากของเราที่เราคิดเราเองนะเขาเป็นของเราคนอื่นนเป็นของเขาแต่เวลาเรามาอบความรักให้คนอื่นคนอื่นคือ น, นอกจากตัวเราใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองเราก็จะมองหาว่าทําไมเขาไม่รักเราตราหรือไปทําไมเราไม่รักตัวเอง เราก็รักรอได้แต่เราไม่รักแต่เราอยากให้คนอื่นรักเราถ้ารักตัวเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นเช่นเดียวกันเช่นคนอื่นเขามไม่ต้องการอย่างนี้หรือตัวเราเองไม่ต้องการอย่างนี้ก็คือจากความคิดหรือคำพูดหรือการกระทาก็ตามคือแสดงออกตัวพฤติกรรมแล้วมัน ไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบเราก็เป็นคนจะทําคนอื่นอย่างนั้นเขาคนอื่นก็าคงไม่ชอบเหมือนกับเราเริ่มรุนจากจรักตัวเองต้องเข้าใจตัวเองพัฒนาน้องตัวเองรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยดังนั้นสำหรับคนที่ไม่มีสติสามประจัญญามันไม่มีไม่เกิดขึ้น เพราะในขณะที่เรามองคนอื่นซึ่งครูอาจารย์บอกว่าทัานเป ม, มองข้างนอกถ้าพูดง่ายๆคือฝากชีวิตเอาไว้กับคนอื่นมาตลอดชีวิตคนนั้นคนนี้คนโนอนซึ่งคือคนข้างนอกงองไม่ใช่ตัวเราอีกเราไม่เคยฝากชีวิตเอาไว้กับตัวเองเลยในคาเรว่าประชาติที่พระพุทธเจ้าท่านบอก ก็าะจัดยืนวิชาที่คือเห็นผิดสำคัญผิดอย่างนี้มาตลอดชีวิตโดยแท้จริงแล้วแม้แต่ชีวิตคำว่าชีวิตเรายังไม่เข้าใจมันคืออะไรเกิดมาแล้วก็รู้ว่ามีชีวิตมีชีวิตคือใช้ชีวิตใช้ทางไหนไปเนะี่ย มีชีวิตก็คือไม่ตายนะครับแบบว่ามีชีวิตถ้าเป็นภาษาฝรั่งมันชัดเจนเลยเรามีชีวิตมีความเป็นอยู่นะมันเป็นอยู่คือัอหละฝรั่งมันบอกเป็นอยู่คือก็คือเวฟทูบีนะคาว่าชีวิตแปลว่าชีวิตแบบไหนชีวิตก่อนชีวิตปัจจุบันชีวิตอนาคตเป็นอยู่คือ เราก็เริ่มมีชีวิตใช้ชีวิตนั้นเป็นยังไงมีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตซึ่งแต่ละคนก็หลากหลายกันไปตามสิ่งที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนคือรับมานั่นแหละคนม า, ต า, น, ม น, น, าออนต่างกันเพราะฉะนพฤติกรรมนั้นแสดงออกต่างๆกันผู้ชมมองเห็นความสําสคัญอันนี้ หลังตาที่พระองค์ใช้ชีวิตมา29ปีอยู่กับโลกมา29ปีตั้งแต่เด็กจะเป็นผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็อ่านมาทาังทำทดสอบทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัดที่ความเชื่อในสมัยนั้นมีอะไรบ้างแต่เราต้องไม่ลืมว่า้นทน ของพระองค์คือพูดจีงมันไม่เหมือนกับพวกเราต้นทุนกับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันไม่เท่ากันเพะนั้นที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เรามีต้นทนที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกเพระนที่เรามาเราขเข้าใจว่าเรามาเพิ่มต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่มันได้คือเพิ่มทุนให้ผู้จ้างเรา ทนของท่านเต็มเกือบเต็มแล้วนิดเดียวเท่านั้นคือเพียงพอแล้วเต็มแล้วเรียกวบารมีแล้วเต็มฝั่งเต็มที่แล้ ว, ลวซึ่งพวกเรายัางยิ่งเราคุนขออยังทางข้างานหน้าอีกยาวไกลเรืยกว่าธุระกันดานทั้งธุระแล้วก็กันดางธุระคือยาวไกลกันดานีงคือลําบากอันนั้นคือชีวิตของพวกเราที่จะไปข้างหน้า ส่วนพ่อของนั้นเขาเรียกาเป็นชาติสุดท้ายทั้งสุดท้ายที่เกิดพอเต็มแล้วพวกเรามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะครูบรราอาจารย์ในรุ่นสมัยพุทธกาลก็ยังเกิดทันแต่ไม่ได้ประโยชน์ก็มีเยอะๆยกตัวอย่างเพราะนั้นพุทธสาวกคือสญญาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละท่าน ล่วมมีต้นทุนคือผ่านการทดสอบทดลองผ่านการอดิฐานตั้งพวาปรารถนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปางก่อนนู้นหลังจากนั้นก็จังเวียนไหวตายเกิดเกิดและตายตายแล้วเกิดถ้าบางคนที่ตัดปรารถนาที่จะพระพุทธเจ้าพวกนั้นผู้รอพระพุทธองคนั้นหรือพุทธธรรดอนนั้นซึ่งอีกเท่าไหร่ ไม่รู้จะได้พบจะได้เจอกุทธันดอนคือผู้เจ้าพระองค์ที่บัติขึ้นในโลกนี้ซึงม่รู้ว่ากี่พระองค์ที่มามาแล้วนับไม่ถ้วนเราเราแค่บอกบอกพระเจ้าห้าพระองค์เท่าที่เราทราบมาแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นี้ ม, มันมากมายมหาศาลก่อนแต่พระพุทธองค์แต่ละพระองค์ก็จะอุบัติขึ้นมา บนโลกใบนี้เอาแค่พระุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันแล้วก็พระธละกับกับอังกัลเสรดกับนี้พุทธนดอนนี้คือช่วงพระุทธเจ้าที่ไม่อยู่เนี่ยลงมาแล้วสองพันกว่าปีในระยะได้สองพันกว่ปีมเนี้ยแสดงดวงจิตของเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเปลี่ยนไหวตายเกิดจงอยู่ชื่อว่าต้นทนก็คือหนึ่งเรามันคงเอาพระตะไคร้หรือไม่ สองมั่นคงในสินหรือไม่สองคำนี้สำคัญจะเป็นตัวชีวัดบงบอกเราว่าอนาคตครั้งหน้าเราจะไปอาบายคือต่ำกว่ากลางกว่านี้อาบายคือนรกเปรตขสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีสามสามตัวเรามองไม่เห็นแต่สัตว์เดรัจฉานเรามองเห็น ตาเนื้อตหนังตาตมามันโลกเรานี่แหละแต่ว่าการใช้ชีวิตะครัคว่าชีวิตมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ต้นทุนมันไม่มีใจเหมือนเป็นคนเป็นมนุษย์กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ปฏิบัติรม่มต้นก็หาทางมันน้อย นี่ก็เลยมีชีวิตเหมือนกันในต้นทนเหมือนและชีวิตที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่มีชีวิตเลยมันก็จบคือได้เกิดเป็นยังไงคือเกิดไป็นอะไรเป็นรื่องหนึ่งเกิดเสร็จแล้วก็เริ่มมีชีวิตมีชีวิตจิตใจจิตใจเป็นยังไงเขาก็มีจิตเหมือนเราแล้วการปฏิบัติตัวเราพฤติกรรมเสร็จออกเหมือนกันไหม มันก็ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะนั้นการเชื่อแค่กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ยังยากลำบากแล้วเพราะนั้นการพัฒนาด้านจิตใจริ่งไม่ต้องอาพูดถึงเลเราะนั้นถ้าเราก็จะสองคำคือชีวิตกับจิตใจเป็นสิ่งที่มีค่า ม, มากถ้าเราไม่แก้ไขจัดการกับชีวิตของเราให้เป็นระบบะคิดเป็นระบบอย่างจะพูจางบอกว่าปรับ ชิติคือความเพยียรของตัวเองให้เป็นสมาธิถือแล้ที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็กลับมาให้เป็นสมาธิถือเช่นความคิดการพูดการกระทําของเราเนี่ยคิดก็ดีพูดก็ดีการกระทําลงไปก็ดีแล้วนําความเดือร้อนมาหาตัวเองและให้คนอื่นคนจะจุดคนจะเบาคนกับบรนเทางเบาบา ง, บางลง จริงหลังนี้ตัวชี้วัดตัวบอกของเราคือสติสัมปชัญญะป็นตัวเบรเป็นตัวจัดการอย่างนั้นมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ละวันมันไม่หนีไปอย่างเนี้ยเพราะว่าความคิดกับพวกติกรํามันวนไปเรียนมาอยู่อย่างแต่ละวันเราไม่สามารถจัดการของแบบนี้ได้ผู้เรยนอะไรคือไม่สามารถจีการกับชีวิตตัวเองได้ เพราะเรามองแต่ใจภายนอกคือคนอื่นมีรูปมีร่างมีขันเหมือนเราแต่เราไม่มองตัวเองไปมองคนอื่นคนอื่นได้รู้หมดคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นพูดดีคนนั้นพูดไม่ดีเลยรู้หมดแต่พอตัวเองแสดงออกทาคงความคิดบ้างเระกลับไม่รู้ตัวเองว่าคิดดีคิดไม่ดีถ้ารู้ค็น่าจะหยุดคือสัพพัญญะคือรู้ตัว มันกน่าจะจุดแล้วว่าเออถ้าพูดอย่างนี้เคยพูดมาแล้วพูดอย่างนี้มันเดือดร้อนผูนอื่นเขารับไม่ได้ก็เป็นผลกระทบทั้งตนเองและผู้อื่น่ะอาสติมันก็จะบอกเนี่ยประโยชน์งานปฏิบัติธรรมต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่งั้นเราก็จะใช้สัญญาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครามมันได้ใช้ปัญญาแต่เราคิดว่าคนปัญญาเราคิดเราเองเราหารู้ไหม เพราสิ่งเหล่านี้ละมีผลกระทบต่อพวกเราสะท้อนกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่ไหนรูปร่างกายต้องจมารูปร่างกายพอทั้งหมดที่มันแ้กออกไปซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวเราคือความรู้สึกปวดแงยงมันก็คือเวลานอน รูปแล้วก็กวารู้สึกรู้สึกก็คือเวทนาเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดเวทนาคือสุขะเวทนาทุกขเวทนาโอเปกาเวทนามันทำหน้าที่ของมันสามทางแค่นั้นส่วนจะมีผลอย่างไรมันอยู่ที่การเห็นการสนงออกการรับหรือวัตยุติหรือว่าวางแต่ระวังไม่ได้ เพราเราใจไม่สมมงบในคําว่าสมถะกลับมาที่เดิมข้อหมายคือสมถะก็ต้องขันธ์แกเราสงบอยู่อารมณ์อะไรอันหนึ่งก่อนตามให้ใจเราสงบก็บเพื่อเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตเท่าทันชีวิตไวชีวิตในขณะนั้นมันขับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปมาด้วยอะไรด้วยคําคิดด้วยคําพูดหรือด้วยการการะทำี่มันขับเคลื่อนที่มันแสดงออกที่มันผลในขณะนั้น แต่เราสติเรามีน้อยเราก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็ไปฝากชีวิตกับคนอื่นทั้งที่ชีวิตเป็นของเราแต่เราไปฝากชีวิตความหวังความรู้สึกอื่นๆสุดท้ายผลกลับมาผิดหวังเพราะมันไม่เป็นอย่างที่คิดที่พูดที่เราหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักตัวเอง ไปรักคนอื่นมันก็จะผิดหวังอยู่ตลอดรักได้แต่ว่าในทางธรรมเราใช้คําว่าเมตตามันจะดีกว่าเมตตาเป็นคำแทงเป็นคำกลางเราไม่ใช้คาว่ารักพอรักนะี่ยมันคือจะตัณหามันจะไปเกียวกความหลงหลงถึงขั้นเอาเป็นเอาตายถึงเอาชีวิตกัน รักคนอื่นนะไม่ใช่ธรรมดานะผลของมันเนี่ยเรารักคนอื่นคนอื่นไม่รักเราเนี่ยตายกันหลายวันทวนไปขอคืนดีแล้วเขาไม่คืนดีด้วยเอาตายเลยนะไปรักคนอื่นคนอื่นไม่รักรับไม่สนองตอบตายแล้วเดือดร้อนใครเดือดร้อนคนตายเดือดร้อนคนตายคนเดือดร้อนคนเป็นคือตัวเองเดือดร้อนคนนี้ไม่ทําำเดือดร้อนนะอย่างนี้เราไม่รักตัวเอง โทษที่ไม่รักตัวเองข้อเราไปรักคนอื่นแรักอิดทังความรักดีไม่ดีแต่ถ้ารักไม่ถูกที่ไม่ถูกคนไม่ถูกเวลาแล้วก็วางไม่ได้วางไม่เป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของได้มาแล้วเป็นเจ้าของคือของเราตัวนี้ตัวสําคัญอุปาทานกันยึดก็เป็นของเราซึ่งก่อนนั้นก็ไม่ใช่ มันเราคิดว่าก่อนนั้นก็ไม่ใช่ของเราเราครอบครองไม่ได้ก็ก็ไม่น่าจะเป็นกําลังแต่เราอยากครอบครองอยากครอบครองคนอื่นเนีลล่ยราม่รู้ผลของการครอบครองไม่ได้เป็ น, นยังไงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้เราถึงบอกมันอนัตตานะมันไม่เคยครอบครองไครแม้แต่ตัวเองก็ครอบครองไม่ได้มคําประโยชน์เพราะเราพริจารณาไปไม่ถึง อันนี้จังทุกขังอนัตตางไปนะทั้งอันนี้คือสําคัญที่สุดเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมองไม่ออกมันเป็นอันนีจังมองไม่ออกมันเป็นทุกขงังมองไม่ออกเป็นอนัตตาเราแยกไม่ออกว่ามันเป็นอันิีจังยังไงมันทุกขังอยังไงมันอนัตตางยังไงพอคิดจะเป็นของของเรา ก็จะยึดจะถือถือก็ชัดเจนอยู่แล้วถือเรื่องหนึ่งก็หนักเพิ่มเรื่องหนึ่งถืออันที่สองหนักเพิ่มอันที่สองถืออันที่สามก็หนักเพิ่มอันที่สามโดยที่เราไม่ปล่อยไม่วางเลยคำถามก็คือชีวิตเราถืออะไรมาบ้างจำไม่ได้เพราะนั่นมันยิงไม่แปลกว่ามันถึงหนักอกหนักใจเป็นภาระ ภาระแปลว่าจะไปวันหนักสิ่งที่หนักที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินขันห้าอันนี้ภาระหาวิปัญจขันท์ขันห้าเป็นภาระอันหนักไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้วทําไมต้งบอกว่าหนัก อ, นอื่นเราบาักยกแล้ววางแบกแล้ววางพามแล้ววางแต่ขันห้าเนี่ยไม่เคยวางเลยแล้วก็ไม่รู้จักวิธีวางด้วย คือประเด็นใหญ่เง um ี้ยเลยประเด็นจตุนี้คุณอาบูจาทั้งพยายามบอกเราบอกรูปไปธนาการนิยามการนิยามคำห้าอันนี้อะไรแยกไม่ออกกาตัวตนของเราคืออันนี้ชีวิตคืออันนี้จิตใจคืออันนี้ชีวิตกับจิตใจต้องแยกกันออกชีวิตคืออะไรจิตใจคืออะไรรูปธรรมนามธรรมสุดท้ายก็มีก็รรูปธรรมนามธรรม พี่จะนอนอยาน่างนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างละมาได้วางมาได้ปอนะก็ยังรู้วิธีก็ดีก็ ย, ยังดีแต่คิดไม่ได้เลยยิ่งลำบากมันหนักตักจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ยังเข้าใจว่ารูปสังขารธาตีกันหากเป็นของตัวเองมันจึงวางไม่ได้ เป็นของตัวเองเนี้ยพอยังเป็นกังวลเรื่องคนอื่นท้าเสียกันนะของคนอื่นต้องย้าว่าคนอื่นคนอื่นคืออะไรที่มันนอกากตัวเราคนอื่นทั้งนั้นเราจะไม่เข้าใจตัวเองตั้งจะเกิดจนตายตการปฏิบัติธรรมต้องการให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจาวันมัจะได้เข้าใจตัวเองเพราะตัวนี้ คือสิ่งที่เราไม่รู้ผู้ใจจิตเรียกว่าอาวิชาตั้งแต่เกิดจนตายเราคือพวกมนุษย์ในสสา์ทั้งหลายไม่เข้าใจสิ่งเหลา่านี้ผู้ยากผู้ยากว่างบอกหลักเกณฑ์ว่าเอานําเป็นอย่างนี้นะทุกคนในวัสดุสารทั้งหลายหญิงชายสสารมันเป็นอย่างนี้คือลักษณะมันเหมือนกันศึกษามันลักษณะ เป็นสนับมือทั่วไปเหมือนกันมันไม่ต่างกันไตรลักษณ์เือมันมีสัญญาณเช่นเขาเรียกวเป็นกฎเราอยู่ในกฎอยู่ในกติกาอันนี้แต่เราไม่เข้าใจกฎเหมือนเราอยู่ในองค์กรแต่เราไม่ไมค่อยจะกฎก็ไม่สามารถที่จะทําตามกฎได้มันนี่คือกฎกฎไตรลักษณ์มันมีทุกคน แล้วก็มีตัวไปเพียงแต่เรามองไม่เห็นทางบ่อพยายางมที่จะอธิบายรูปภาพสามองค์คืออันนี้แหละเศษสันธิปัญญาก็คืออันนี้นญญ อ, อ, น, น, อนนี้ยังตัวข่าวอันนีต่างก็คืออันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจสิ่เหล่านี้ก็คือไม่เข้าใจตัวเองแล้วแหละคือไม่เข้าใจว่าชีวิตกับจิตใจมันอยู่มันไปมันจักกันยังไงมันอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไง เดี๋วเาไม่เข้าใจชีวิตสร็แล้วก็เมาหรือว่าหลงชีวิตเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันจึงไม่เข้าใจชีวิตก่อนอย่ากว่าเราเริ่มตนน้นในเข้าใจชีวิตชีวิตคือที่เราได้มาหรือว่าเกิดนันคือชาตาิต่างเกิดมาแล้วก็มีชีวิตที่ยังมีต้องอยู่ในท้องนล่นแหะแต่จะนนันไม่สามารถจะแสดงออกได้ตอนเกิดครั้งแรกก็แสดงออกไม่ได้โดยวาจารแต่รู้ แสดงออกไม่ได้เพราะนั้นพวเด็กเวลามีความรู้สึกอะไรมามันพูดไม่ไดมันแสดงออกด้วยการร้องที่เด็กบางร้องก็เพราะมันต้องการแสดงของรู้สึกของามันพูดไม่ได้แค่เราจะพูได้เช่นหิวมันมันบอกไม่ได้อะมันหิวมันเจ็บมันปวดมันบอกไม่ได้เจ็บปวดแสดงออกเดียวคือร้องเดี๋ยวมันหิวนมมันบอกพม่ได้นะหูวนม มันเป็นแสดงออกใน่ตงคิดกล่าวทายาคือการแสดงออกร เ, เรียกร้องความสนใจมันคือชีวิตของเราชีวิตเราเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นี้นถ้าเราไ ม, ไม่เข้าใจชีวิตตั้งแต่ต้นว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับคําถามเราไม่เคยตั้งคําถามเลยจึงต่างกับบันทึกตั้งปราทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือต้องทำหรือต่อให้เป็นนักปรัชญาก็ตา่างการตั้งคําถามมันจะได้ครับต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายคําถามเดียวกันแต่คําตอบคนละอย่างกันเหมือนนักปรัชญาทั้งหลายถึ่แม้ท่านหลังจะเกิดหลังพุทธเจ้าก็ตามแต่เขาร่วงล่วงสองพันกว่าปีมาแล้วอถ้าก็จะตั้งคําถามเป็นคนสังเกตสังกาและตั้งคำถามจะเป็นปรัชญา ยังกลายเป็นจิตตะวิทยาวิชาที่เขาเรียนก็สอนกันคือพฤติกรรมของจิตอะไรพวนี้และเขาเรียนเป็นเรื่องเป็นราวทดสอบทดลองวันนี้ก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมาพอรู้สึ็จคนที่สอ น, นมาตั้งเสร็จล้มทฤษฎีอาจารย์ขึ้นมาล้มไปล้มกันมามาจนถึงยุคพัฒนาแล้วก็ตั้งป็นทฤษฎีขึ้นมาแล้วก็เรียนกันอยู่ทุกวันแต่ผู้เจ้เรารู้มา สองพันกว่าปีมและพรุงก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนของคนนี้เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันไหนเลยเพราะมันคือพฤติกรรมของจิตนั่นเองตราบใดที่จิตไม่สงบคือไม่เข้าใจจิตไม่เข้าใจใจกับตัวเองไม่มีทางที่จะเรียนรู้ภายนอกได้ังนั้นผู้จางเราจะเป็นนักกิจกันวิทยาเราจะแสดงออกเราจะทําอะไรทั้อย่าง แต่พระองค์ใช้องค์อื่นๆเป็นองค์ประกอบไม่ใช่แค่คิดเอาอเองยากการทดสอบทดลองแล้วคิดเอาเองไม่ใช่พระองค์มียิ่งกว่านั้นแค่กำหนดก็รู้แล้วว่านีของเก่าเขาเป็นยังไงเขาเคยทำมาอย่างไรซ้ำๆเดิมๆอยู่งั้นกิพบพกิชาิมาแล้วมันจึงสอน ง, ง่ายเข้าใจาง่ายแต่ละคนพระองค์ก็สอนได้เหมือนกัน แต่สุดท้ายจริงๆคือมันไม่หนีไปจากธาตุสี่ขันห้าอันนี้หลักษณะสาอย่างอันนี้ไม่มีเกินไปกว่า น, นี้อันนี้คือสิ่งที่พระพเจ้าพยายามเพียงประโยชน์สี่สิบ้าปีที่พระองค์เผยแผ่ศาสนาธรรมหลังจากนั้นก็สาวกหรือพุทธสาวกก็พยายามเจริญรอยตามก็พยายามอธิบายซึ่งเลนี้ รักของดีก อ, อ, อยู่ในตัวเราความเสียก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เรามองไม่ออกว่าอันไหนดีอันไนเสียมันดีตั้งแต่เมื่อไหร่มันเสียตั้งแต่เมื่อไหร่เรามองไม่ออกเพราะฉะนั้นครูจะสอนเราเนี่ยคือสอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นเพราะนั้นพวกเราโอวนาะอิโคน้อมกลางตัวเองคือสอนตัวเองถ้าเราไม่สอนตัวเราเองคนอื่นสอนไม่ไดัง ประสการตรงนี้ใครไม่มีทคศนคติทางใจได้น่าเกลียตัวเราเท่านั้น่ะเราไม่มองตัวเองก็ไม่เห็นตัวเองง่ายง่ายเองเราไม่เข้าใจตัวเองแต่เราอยากให้ผู้อื่นเข้าใจเราไม่เห็นตัวเองเลยแต่อยากผู้อื่นเห็นออืสรุปคือทับด้ายความอยากความอยากคือต้นตอของความทุกข์องค์ปุจจาบอกสรุปเราชัดเจนเลยตราบใดที่มีความอยากอ ย, กอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยากได้ อยากมีอยากเป็นนี่คําำว่าอยากมีองค์ประกอบสามอย่างแค่อยากได้แล้วมันไม่ได้อยากมีแล้วมันไม่มีอยากเป็นแล้วมันไม่เป็นเป็แต่วพิจตนต่อเรียกว่าสมบทัยคือต้นเหตุคือเหตุของมันแล้วผลของมันก็คือทุกข์กลับไปที่ข้อแรกในอริยสัจสีกลับไปที่แรกแต่ว่าทุกข์นั้นเป็นผลมันไม่ใช่เหตุ แต่เราไม่แก้เราจะแก้เทียนผลของมันคือไม่อยากให้ทุกมีอะไรขึ้นมาไม่อยากให้มันทุกแต่ลืมไปครเจะสอนไม่ได้สอนที่ทุกนะสอนแก้เหตุแห่งทุกกระทุก์มันเป็นผลมันปลายทางตัวเหตุคือตัวส ม, มทุทัยตัวที่แก้กือตัวนี้เพราะส ม, มทุทัยมันแจ้งคาว่าละแจ้งคำว่าละทุ ก, ทท ก, ทกมังแจ้งว่ากําหนด ทุกสมุทตะนี่โรดเนี่ยคือทําให้แจ้งตอนให้แจ้งจรงให้กระจายใเข้าใจมักคือทาให้มากทําให้เจริญทําให้ดีขึ้นทําให้พัฒนาความหมายสามสี่คำเนี่ยเราไม่เคยใช้กับชีวิตเราเลยพูดถึงทุกข์กับอะไรก็ไม่รู้พอตัวเองทุกข์ก็ไม่อยากทุกข์กลายเป็นความอยากไปกลายเป็นตัณหาไปซึ่งมันไม่ใช่ ทุกก็คือทุกสมุทัยคือสมุทัยแต่ดรแกไม่ถูกที่ลำดับขั้นตอนไม่ถูกคือเรียงลำดับในสองหนึ่งกับสามสี่เราไปเอาสองเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองสามเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสามสลับกันไปไสลับกันมาอย่างนี้เรามม่ได้เรียงอย่างคูเจะเรียงให้เราแล้ ว, ลวถ้าแต่เรียงชค่เจียงก็ชีวิต ในชีวิตถ้าม่มีจิตครอบงำมเหมือนกับต้นไม้เขาก็มีชีวิตแต่เขาไ ม, มีจิตชีวิตจิตจิตเสร็จแล้วก็กรรมคือการกระทํามีจิตแล้วมีกา ร, กรทําการทําจากที่เราคิดคือจิตตัมันสั้งสมมันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วก็ทําลงมือทําตามของคิดกาพูดการกระทําหรื ก, กรรมแต่ไม่มีธรรมะองค์ประกอบเลยมันจบแค่กรรมคือการกระทํา ของชีวิตจิตกรรมมันไม่มีธรรมะมีธรรมะเสร็จแล้วปฏิบัติทางปัญญานี่เกิดูลว่ธรรมะปัญญานี่คื อ, ญญคอสิ่งที่ตามมาอีกที่หลังไม่ต้องไปพูดถึงเพราะธรรมะปัญญามันไม่เกิดมันก็ได้แค่ชีวิตจิตแล้วก็กรรมนี่คือคนทั่วๆไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายของมนุษย์ไม่ว่าเพศไหนเหล่าไหนสถานนั้นใดก็ตามสภาพเป็นอย่างนี้ ชีวิตถ้าเราอยากมันก็จะชีวิตหนึ่งชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการอะไรขนาดไหนจะว่าพอชีวิตมีคุณค่าอย่างไรชีวิตมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรการที่ไม่มีชีวิตเกิดอะไรขึ้นมีชีวิตแล้วไม่ใช้ชีวิตมันคุ้มค่าท่านเป็นประโยชน์มันจะเป็นอะไรขึ้นชีวิตจิตก็เช่นเดียวกันจิตมีทุกคนสภาพของจิตก็คือจิตดีจิตไม่ดีพูดง่ายๆแล้วก็จิตเป็นกลางพูดง่ายๆคือพูดสน กุศล ค, คือบุญบาปนี่เองแล้วก็เป็นกลางกางแค่นี้นสภาวะของเขาเป็นอย่างมันไม่ได้เนือไปกว่า น, นี้มีแค่สา ม, มาะของแต่เพียงว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตหรือจิตของเรานะี่ยเป็นกุศลเป็นอย่างไรผลมันเป็นอย่างไรกากุศลคือบาปเกิดขึ้นผลมันเป็นอจิตที่เป็นกลางคือไม่บุญไม่บาปมันเป็นอย่างไร เราไม่ศึกษาสภาวะทั้งสามอย่างนะให้เข้าใจโดยละเอียดโดยภาพรวมก่อนอ๋อถ้าชีวิตมันเป็นกุศลมันเป็นบุญมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเต็มเป็นเป็นบาปคจิตที่มันเป็นบาปมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ตัวที่มันบอกสิ่งเราได้คือสัตย์คือระลึกนึกขึ้นมาได้อ๋อนี่มันเป็นบาปนะนี่เป็นบุญนะไม่เป็นกลางตัวสมาธิเป็นตัวกดเอาไว้ถ้าพูดง่ายๆพระเาเรากดเอาไว้ก่อน ได้รู้ว่าเออในขณะที่จิตมันเป็นสมาธิมันจะกดทั้งบุญและบาปมันเป็นบุญไม่เป็นบาปก็ยกจกิดขึ้นมาพิจารณาถึงจะรู้ว่าโอมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะนั้นจิตที่ออกจากสมาธิแล้วบุญบาปมันก็ทําหน้าที่ของมันพักกตือแต่สติเราไม่เกิดอะบุญก็ล้วก็ผสมเข้าไปบาปก็ผสมเข้าไปไม่มีความเป็นกลางนะเพราะสมาธิจึงมันมาใช้ตรงนี้ ว่ามันมีความเป็นกลางมันจะเข้าใจอ๋อบุญเป็นนบาปอย่างนี้แต่ปัญญาปัญญาจริงก็คือที่มันเป็นอย่างเงี้ก็เพราะว่าจิตนะมันมีบุญอยู่มันมีบาปอยู่มันถึงได้เป็นอย่างนี้มันถึงแสดงอาการออกอย่างนี้ถ้าจิตเรามันเป็นกลางจริงและสุดท้ายก็คือจิตเป็นกลางก็แปลว่าบุญมันก็ไม่เอาบาปมันก็ไม่เอาคือมันชิงทั้งบุญและบาปนั่นแหละการกบฏนิพพาน คือดับบุญและบาปมันดับมันอยู่เหนือบุญและบาปจะเรียกว่าพ้นการทุกที่นี้อยู่ที่เรามีอยู่ทุกคนที่มีทุกมันก็ไม่ไม่อยู่ในวงจรของทุกแล้วมันพ้นพ้นก็มาจากทุกอันนี้จังไม่ต้องพูดถึงละแปรสภาพเป็นพนทุกขังคือจิตหมดพ้นจากทุกแล้วนี่จำตัวอานัตตานคำนั้นไม่ได้มีตัวมีตน มันมีเรามีเขาในตัวเราธาตุสีกันห้าเนี่ยมันไม่ใช่พระรูปของก็คือธาตุสีกันห้า 5, คือดินน้าไฟลมจะบอกมันไม่มีมันมีแต่มันคือน้ําคือไฟคือลมโดยสภาพของมันมันก็อยู่ของมันอย่างมันก็มันอยู่แต่เราไม่เข้าใจว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมความรักกองสังเกิดขึ้นถ้าจะบอกเอาของรักมาดูจับรักอะไร รักดินใช่ไหมทาไมเห็นดินทาไมเราไม่รักน้ำเห็นน้ํำเราไม่เกิดความรักไหมทําไมไม่รักเห็นไฟมีความรักไหมทําไมไม่รักเห็นลมพัดไปประมาไม่มีความรักไม่รักเอาแล้วทําไมเกิดความรักเกิดจากอะไรเกิดจากที่เห็นรูปตัวนี้รูปสวยโรงงานรูปหล่อแล้วเกิดความรักนหนึ่งในคือปัญญาจะเดินที่เป็นสัญญาคือจาได้หมายรู้ มันก็จะแปลงเป็นปัญญาพอทางนั้นมันก็คือดินน้ำไฟลมตามลรมชาติของเขาที่เป็นอยู่คือธรรมชาตินี่เข้าถึงธรรมชาติแล้วธรรมชาติดินเขาเป็นเองเกิดเองไม่ได้เรือนอนอะไรกับใครในโลกใ บ, บนี้น้ำก็เช่นเดียวกันจะมีปริมาณมากปริมาณหรือปริมาณมากกว่าดินในโลกนี้มีน้ำปริมาณเยอะกว่าดินคือยกว่าแผ่นดินธรรมชาติเหมือนร่างกายเราก็เช่นเดียวกัน มันไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติเพรานะฉะนั้นร่างกายเองเป็นตัวย่อให้เราเห็นโลกใบนี้ที่สุดแล้วมันคือดินน้ําไฟลมแล้วก็จิตเป็นตัวของก็ อ, อยู่อาศัยเมื่อจิตมันอยู่ไม่ได้ผู้อาศัยจิตไม่ได้ดินน้ําไฟลมเขาก็อยู่ไม่ได้เขาขับไปที่เดิมของเขาดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ําไฟไปไปเป็นไฟลมเป็นลมเอเรียกว่าอนัตตา ไม่ได้แปลมันมีตัวมีตอนนี่นคือขาว่าอนัตตาแต่ถ้าสามอย่างเนี้มันไม่อยู่ในวงจรของคของพวกเราในแต่ละครั้งในแต่ละวันในแต่ละเดือนมันไม่อยู่ในวงจรอย่างนึงไปที่มา อ, อุปาทานอุปาทานกัยึดเพราะนั่นคำว่าอุปาทานกันยึดถือเราก็ตบฏิกันมาอุาทายึดถืออะไรยึดถือดินน้ําไฟหรือลมหรือทั้งหมดแล้วได้อะไร แล้วจิตมันก็ต้องออกไปเสร็จแล้วจิตก็ตัวพวงตัวแต่งรู้จิตมาออกไปแล้วมันไม่ได้ดับอ่ะที่มันแตกสลายคือดินน้ำไฟลงแต่ตัวจิตมันไม่ดับมันไปต่อมาใส่รูปละเอียดที่มันยึดเอาไว้นั่นแหละอุปทานนั่นแหละเพราะมันยังมีอุปทานอยู่ก็ยึดที่ละเอียดที่มันยึดเอาไว้มันก็จะไปต่อตามนั้นตามนั้นก็ตามภูมิภูมิคือชั้น ภูมิมันแปลว่าชั้นก็ได้แปลว่าแผ่นดินก็ได้ภูมิก็ตามภูมิคือชั้นชั้นอะไรชั้นของจิตจิตคนนั้นไม่มีศีลเลยมันจะเป็นยังไงมันจะไปไหนถ้าจิตของคนมันเป็นคนทั่วไปเลยศีลข้อเดียวก็ไม่มีมันจะไหลไปไหนมันก็มีถ้าเสียกันาเหมือนเรานี่จักรหมาบกกัหมูม่ม้าขาไก่สัตว์บกสัตว์น้ําก็ว่ากันไป แต่ว่ามันมันไม่ครับรู้อะไรไม่มการพัฒนาอะไรเลยแต่คนมีสินภูมิมันก็ไปอีกที่หนึ่งถ้าคนมีศินมันตัดอาบายสัตว์ไม่ต้องอาพูดถึงเลยนรกไม่ต้องพูดอสุรกายไม่ต้องพูดเลยมันจะตัดปัญหาของภูมิหมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคนณทางที่เราได้กลับมาเพื่อทําความดีใหม่ในเพราะภูมิอันนี้ภูมิที่เป็นกลางโลกนู้อื่นภูมิเป็นกลางส่วนโลกอื่นไปสวย ไปเสวยทาอะไรไม่ได้มไจิตอื่นก็ไปแค่เสวยคือหมดแล้วก็หมดอายุไขพอแล้วอายุไขไขก็หมดอายุไนะขไขคือไขายานะนั่นคือหมดไปสิ้นไปคือหมดอายุก็ไปจิติหรือไปเกิดหรือเคลื่อนคิจิตมันเคลื่อนออกจากวัตถุออกจากสิ่งนั้นจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรูปหรืออารูปก็แล้วแต่มันก็ไปต่อทีนี้ ต้นทุนของจิตอ่ะเมื่ออยู่ในภพนั้นภูมินั้นมันทําความดีมากไปกว่าะนั้นไม่ได้เหตุที่มันทําไม่ได้เพราะดินน้ําไฟลมมันไม่มีจริงมันเป็นแค่รูปที่จินตนาการจินตนาการคืออาการของจิตอาการของจิตและพูด ง, ง่ายๆอย่าจินตนาการคือมันยึดมันอวตาร แต่ตัวแท้ๆจริงดินน้ําไฟดมเหมือนโลกมนุษย์มันมีเมื่อมันไม่มีเมื่อจิตดนุยจะไปปล่อยอะไรจะไปว่าอะไรมันก็รูปในฝันะรูปในนิมิตนิมิตคือฝันฝันกับนิมิตอันเดียวกันมันก็จิตมันก็อยู่อย่างนั้นะแต่โลกมนุษย์มันมีเห็นทุกอย่างรูปธรรมนามธรรมรูปกระหนันนามกระหนันทั้งคนทั้งสัตว์มีทุกอย่างแต่เรา ไม่เกิดสติปัญญาใดๆเลยแม้แต่ตัวเองก็มีแต่มีแล้วคิดอะไรไม่ได้เลยคือไม่ได้สติมันก็ไม่ได้ประโยชน์หลายคนที่อุบัติขึ้นมาบนโลกทั้งกลางโลกนี้ต้นทุนเก่ามนดีก็มาเป็นคนเป็นมนุษย์7จ็เป็นพันล้านคนจะมีใครที่เข้าใจของคุณถ้าไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอก ก็ยังมีอย่เยอะที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นพูดสาของเราจะเป็นสาคนมีปัญญาแต่ใครไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ง่ายๆปัญญามาจากนั้นจากสติสติเสดงเกิดจากยาสติมั่นใจในฝึกบ่อยๆเพราะว่าเรนึกนึกถึงบ่อยๆค่าว่านึกถึงบ่อยๆวันๆหนึ่งเรานึกสิ่งเหล่านี้ไหมถ้าไม่นึกถึงว่าก็ไม่ชื่อว่านึกมีบ่อยสิ่งที่นึก่มันมีมีความนึกคิดปรุงแต่งมี แต่ไม่เกี่ยอะไรกับตัวเราเลยมันเป็ฝากชีวิตของคนอื่นไงเอาชีวิตคนอื่นเอาปใจไปน่าคนอื่นดินน้ําไฟลมเห็นหมดไม่มีวันไหนที่มันไม่เห็นแต่เห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาตรงนี้ต่างหากไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาได้ความละถอนปล่อยวางมันจะมาจากไหนมันก็มีความรู้ผู้นฐานในการเข้าใจมันก็ไม่มีเป็นที่มาเพราะนั้นบันไดขั้นแรกเรายิ่งไม่ต้องมาพูดถึงเพราะเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่เรา ไม่มีสิ่งอื่นในชีวิตประจําวันต้องใช้คําว่าชีวิตประจําวันซึ่งตามกับ น, นักบวชนักรถนักปฏิบัติทั้งหลายแลยท่านมีชีวิตประจำวันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เป็นอาจินเพราะนัข้อแตกต่างมันจึงเกิดขึ้นเพ่าะแม่รมรครูบาอาจารย์เรามันจึงมีข้อแตกต่างจากพวกเราตะคนทั้งหลายสรตวสัตว์ ท, ทั้งหลายต้องแตกต่าง ต, างตรงนี้ เพราะนั้นพวกเราก็มีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตคือแนวคิดแนวพูดแนวปฏิบัติไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์เราคือไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเราถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นที่เรามาทุกวนะันน่ะตรงทางแล้ว่ารืีที่สึกก็คือให้เราเลิกถุงตัวตนของพวกเราคุณสมบัติ คุณลักษณะของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันแตกต่างกันยังต่างกันตรงไห น, นถ้าเรายังไม่เห็นความแตกต่างอันนี้เรากจ็จะไม่ต่างลเลยมาจจะแนวชิดคำพูดการกระทําเห็นไหมที่แสดงออกวนแถมยังไม่พอจะไปนึกถึงพวกเขาอีกในวงจรชีวิตของเราจะไปนึกถึงพวกเขาใช่ไมไอ้ไอ้หาไอ้ศาตร์ไอ้วัวไอ้ควายก็ยัยงไึกถึงเขาทั้งหากแต่กลายเป็นเพื่อนเขาอีกจิตอะ จิตกลายเป็นเฮีย้ยหา ว, วกควายไปนะเพรามันจิตมันเป็นได้ทุกอย่างอย่าไปคิดว่าร่างเป็นคน่ะมันเป็นคนเป็นมันไม่ใช่ร่างเป็นพระเฉยๆร่างพระเนรเทนจีเนีน่ยเป็นรูปร่างเฉยๆเป็นาคการูนร่างแต่ดินน้าไฟรมเหมือนกันหมดอ่ะแต่สภ า, าวะจิตมันไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าโภมชันของจิตมันมเหมือนกันมันต่างกันตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดม่ปฏิบัติเลยในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ ต้องย้ำม่าประจำวันนึกไม่ออกเลยลว่าสิ่งนี้ันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นคือพื้นฐานหรือว่าเบสิกเลยเพระนั่นคือยากให้พวกเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เวลานึกคิดถือปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยท่านบอกให้นึกอะไรไม่ออกเพื่อให้นอกเหนือบาสิ่งอื่นก็ให้นึกถึงพัฒนาใจเพราะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตเราควรจะมีควรจะเป็นควรจะได้ควรจะ เ, เป็นตัวอย่าง ท่นให้นึกถึงคนของรัตนไทยคณของภูฏิจาร์นึกถึงคำว่คคาคุณนะไปใช้ในเกี่ยงพุทธรูปหรืออะไรอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับ น, นึกถึงประธรรมคือธรรมาชาติที่มีอยู่เช่นตินน้ําไฟลมที่เรามีอยู่นั่นคือธรรมาชาติะนี่คือตัวตนของเราคําว่าธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งปัจจัยนไปดั่งในคําว่าธรรมชาติเกิดเ อ, อ็กซ์ปเป็นอยุ้งคี้ายวันตะเพีเขาอย่างเงี้ยคืออันนี้คือประธรรมกับประธระรมนึดธรรมะ ประสงค์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามสืบทอดเจตนารมปฏิบัติดีปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติจนจิตเหนือพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ดูได้จากพฤติกรรมที่ได้เอาทางความคิดทางคำพูดและการการะทำพฤติกรรมเพราะัครูบาอาจารย์ของเราล้วนผ่านขั้นตอนสิ่งเหล่านี้มาทั้งนั้น ยากเย็นแสนเข็นขนาดไห น, นโดยเฉพายุคเก่ายุครุ่นสมัยลูกปู่เราปูพ่พันเราต้นมาล้วนผ่านสิ่งเหล่า น, นี้เหมือนสมัยพุทธกาลหรืวคล้ายสมัยพุทธกาลออกมาเพราะกนนั้นพวกเราก็จ้าแย่ในวัฒนธรศาสนาของเราในทางปฏิบททัติจริงมันแทบแทบไม่มีเลยโดยเฉพาะเอาฝ่ายป่าไปกรรมาฐามนมีแต่ปริยัตอย่างเดียวคือสืบทอดกันมาในภาคปฏิบัติอมันไม่เคยมี พ่อนั่งคือจำทรงจำมาตลอดเป็นพันสองพันปีเนี่จะพังปฏิบัติมันน้อยมนน้อยมากเพราะนั้นมาฟื้นตูอยู่ร้อยกว่าปีสองสาม้ยปีที่ผ่านม า, มายุเก่าสมัยสุขโขทัยยุตยางแบรัตนโกสินจริงจริงก่นกอนอังกฤษมรีอันกฤษมรีนิดเดียวจะงมาถึงราชการยังมีราชการอะไรไปก่อนแล้วมันคงในสมัยรัตนโกสินปัจจุบัน เนกีก็ถือว่เรายังโชค ด, ดียังมีการสืบทอดเจตนารมณ์มาตลอดตัวอย่าคือพระพปุรภะพระสัจจาธิราชจาทั้งหลายคือทรงธรรมมาตลอดจดนถึงยุคปัจจุบันพระเถ้าเป็นผู้แนะเปนผู้นําที่คือให้พวกเราเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างมาตลอดมวแล้วส่วนเรื่องอื่นๆที่แต่ ม, มาตามธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์คือคน เพราะยังไม่หมดไม่คลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่หลักใจใจความคือเอาเอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักอันนี้คือหลักสำคัญในกวาคิดเพราะนั้นพวกเราก็จงมั่นใจแล้วก็พยายามที่จะขอพระธาตุรัตรเป็นหลักคือเอาคุณพระท่านเป็นหลักคือคุณของปุญญาคุณมาทธรคุณอริยสงฆ์เป็นหลักหรือเื่นอื่น มันพึ่งพาอะไรไม่ได้พรานหนึ่งไปข้างหน้าเราก็ไม่มได้เลรแล้วก็คุณของศินอันนี้สําคัญแล้วก็คุณของความดีที่เรามาทั้งหมเป็นอนุสติมันจะ เ, เป็นจากขารสติกตามสีลาสา้านสติเองู้อยากเป็นอนุสติคือเป็นเครื่องระลึกนึกถึงโดสมนุนในชีวิตประจำวันจิตเราไม่ตกต่ำไปกว่า น, นี้แน่นอนผลงานคือไม่ขาดทุนชีวิตเราจะไม่ขาดทุนในงั้นชีวิตเราได้มาทั้งหมด เราให้อยู่เป็นร้อยตือถ้าไม่มีของพวกนี้มันก็มีประโยชน์อะไรเลยะตายแล้วก็เหมือนกอดไม้เหมือนก็ดิ้นน้ําไปลงอกลับไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแต่จิตมันต้องไปต่อตัวที่สะสมตัวนั้นตัวจิตมันไม่เกี่ยวกับกาอยอันนนี้ะแต่ได้แยกได้อย่างนี้ในเบื้องต้นว่าเออนีก่การเข้าใจเบื้องต้นถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วเราก็จะไปถูกทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆการปฏิบัติของเราเขาจะชืนคนแล้วก็มั่นใจมั่นคง ไม่วันไหวไปตามสัญญาผมมีหนทางชัดเจนปฏิฐานชัดเจนเป้าหมายชัดเจนเดินต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งกันหน้าเป้าหมายถ้าเราเดินเป้าหมายมันก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถ้าไม่เดินเลยก็เหมือนเดิมเป้าหมายก็เหมือนเดิมคณะให้เดิ น, เ, เ, ดนเดินมากเดินน้อยไม่เป็นไรก็ให้ได้เดินแต่ละวันคื บ, บวันศุกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราเดินตนัวเอง นั่นก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าท้ออย่าถอยเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเพิ่มจากนี้ไปตัวนี้รักตัวเองมากๆเมตตาตัวเองมากๆอย่าไปทําร้ายตัวเองอย่าไปทําลายตัวเองด้วยคําคิดเพื่อการทูดด้วยการกระทําของตัวเราเองนี่แหละจะเป็นระเบิดเวลาตัวเองเมื่อเรามีความรักแล้วค่อยเอาความรักอันนี้เรามีเมตตาแล้วเอาความมีเมตตาอันเนี้ยไป เผื่อแพรไปแผ่แมตตาไปแบ่งความรักคนอื่นแบ่งความเมตตาคนอื่นมันถึงจะได้ประโยชน์เราไม่ต้องไปงอไม่ต้องไปขอของมรกจากใครเราขอเมตตาจากใครเราสร้างขึ้นมาเองความรักความเมตตาถ้าเรามีแล้วใครใครเขอยากได้เพราะที่ผ่านมาเราก็จะได้ความรักความเมตตาแต่เราอยากได้จากคนอื่นทีนี้เราคิเ ร, เราทำเองได้ เราก็สร้างเองได้สร้างความรักคือรักตัวเองสร้าง eh. ความเมตตาให้ตัวเองมีเมตาก่อนเราก็จะเป็นที่รักแต่กับเป็นที่ขอเมตตาของคุณเขาพูดน่ายคือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ปัจจุบันก็ได้ประโยชน์อนาคตประโยชน์ลผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ตนเองก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้เราจึงเชื่อเป็นคนมีประโยชน์ในทุกสถานทุกเมื่อก็ขอนพัฒนาความดีของเราทุกคนขอความดีนี้ จงถึงแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีประคุณทั้งหมดอหอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำมาเป็นทุกครั้งโดยเฉพาะในวันนี้ก็ขออนุมทนา